พระศาสดาตรัสว่าลำดับนั้นเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเท้าสักกะเทวราชทรงจำแรงเพศเป็นพราหมณ์ได้ปรากฏแกสองกษัตริย์นั้นแต่เช้าเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่มีโรคาพาธหรือหนอพระคุณเจ้าทรงพระสําปรานดีหรือ พระคุณเจ้าทรงเยียวยาอัตภาพด้วยการสแสวงหาพลาหารสะดวกหรือทั้งมูลมันผลไม้มีมากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยแลหรือในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพาละมะลึกไม่มีมาเบียดเบียนแลหรือพระมหาสัตตร์ตรัสว่าแน่พรามเราทั้งหลายไม่มีโรคาพาธเบียดเบียน อันหนึ่งเราทั้งหลายเป็นสุขสำราญดีเราเยียวยาอัตภาพด้วยการหาพลาหารสะดวกดีทั้งมูลมันผลไม้ก็มีมากเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยอันหนึ่งในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยพารมาลึกก็ไม่มีมาเบียดเบียนแก่เราเมื่อพวกเรามาอยู่ในป่ามีชีวิตอันตรงเกลียมมาตลอดเจ็ดเดือน เราเห็นพราหมณ์ผู้มีเพศดังเพศแห่งเทพถือไม้เท้าสีดังผลมะตูมสุกและทรงหนังเสือเหลืองเป็นเครื่องปกปิดกายแม่นี้เป็นคนที่สองแนมหาพราหมณ์ท่านมาดีแล้วอันหนึ่งท่านมิได้มาร้ายแน่ท่านผู้เจริญเชิญท่านเข้าไปภายในเถิดเชิญล้างเท้าของท่านเถิดผลมะพลับผลมาหาด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 เราถามแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแก่เราเถิดห้วงน้ำในปัญจะมหานทีเต็มเปี่ยมไม่มีเวลาเหือดแห้งฉันใดพระองค์มีพระครุไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาฉันนั้นข้าพระองค์มาเพื่อขอกับพระองค์ข้าพระองค์ทูลขอแล้ว ขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานพระมเหสีแก่ข้าพระองค์เถิดนพรามเราย่อมให้มิได้วันไหวท่านขอสิ่งใดเราก็จะให้สิ่งนั้นเราไม่ซ่อนเร้นสิ่งที่มีอยู่ใจคงเรายินดีในทานพระเวสสันดรผู้ประดุงสีพีรัตให้เจริญทรงกลุมหัดพระนางมะสี จับเต้าน้ำหลังอุทกวารีพระราชทานพระนางให้เป็นทานแก่พราหมณ์ขณะนั้นเมื่อพระมหาสัตว์ทรงบริจาคพระนางมสศีให้เป็นทานเกิดความอัศจรรย์น่าสยดสยองโลมาชาติก็ชูชันเมธนีดลก็กมปนาตหวั่นไหวพระนางมาสีมิได้มีพระพักเงางอดมิได้ทรงขววยเขินและมิได้ทรงกันแสง ทรงเพ่งดูพระราชสวามีโดยดุษณีภาพโดยทรงเคารพเชื่อถือว่าเท้าเธอทรงทราบซึ่งสิ่งอันประเสริฐพระศาสดาตรัสว่าเมื่อตถาคตเป็นพระเวสสันดรบริจาคชาลีและกันหาชินาซึ่งเป็นบุตริดาและพระมาศีเทวีผู้เคารพยำเกรงในพระราชสวามีมิได้คิดเสียดายเลย เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นบุตรทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้พระมสศีเทวีไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงได้ให้ของอันเป็นที่รักพระนางมสศีทรงดําริว่าข้าพระบาทเป็นพระมเหสีของพระองค์ตั้งแต่ยังแรกรุ่นสาว พระองค์ก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในข้าพระบาทพระองค์ปรารถนาจะพระราชทานข้าพระบาทแก่ผู้ใดก็พึงพระราชทานได้ทรงปรารถนาจะขายหรือจะฆ่าพึงทรงขายทรงฆ่าได้พระศาสดาตรัสว่าท้าสักกะจอมเทพทรงทราบชัดซึ่งความดำริของสองกษัตริย์แล้วจึงตรัสชมว่า ทำทั้งมวลที่เป็นค่าศึกทั้งเป็นของทิพย์และเป็นของมนุษย์พระองค์ทรงชนะได้แล้วปัตถีก็บัรลือลั่นเสียงสนันบัรลือไปถึงไตรทิศสายฟ้าแลบอยู่แปลปราบโดยรอบเสียงสถทานปรากฏดังหนึ่งว่าเสียงภูเขาถล่มทลายเทพเจ้าสองมู่ผู้สิงสถิตอยู่ที่นารทบันพธถวายอนุโมทนา แกพระนอทศพลเวสันดร น, นั้นพระอินทร์พระพรมพระประชาบดีพระโสมพระยมทั้งท้าเวสวรรณมหาราชและเทพเจ้าทั้งปวงย่ อ, ยอมถวายอนุโมทนาว่าพระเวสันดรบร ม, มกษัตริย์ทรงกระทํากรรมที่ทําได้ยากแท้เมื่อสัตว์บุรุษทั้งหลายให้สิ่งที่ให้ได้โดยยากกระทํากรรมที่บุคคลทําได้โดยยาก อาสัต์บุรุษย่อมทําตามไม่ได้เพราะว่าธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายอันอาสัตว์บุรุษนำไปได้โดยยากเพราะฉะนั้นต่อจากนี้คติของสัตว์บุรุษและของอาสัตว์บุรุษย่อมต่างกันอาสัตว์บุรุษย่อมไปนรกสัตว์บุรุษมีสวรรค์เป็นที่ไปการที่พระองค์เสด็จมาอยู่ในป่า ได้พระราชทานสองพระราชกุมารและพระมเหสีให้เป็นทานนี้ชื่อว่าเป็นพรหมยานไม่เป็นยานก้าวลงสู่อบายภูมิขอมาหาทานของพระองค์นั้นจงผลดผลในสวงสวรรค์ท้าวสักกะเทวราชตรัสว่าข้าพเจ้าขอถวายพระนางมาสัสสีพระมเหสีผู้งามทั่วสรพางคืนให้พระคุณเจ้า พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สมควรแก่พระนางมสีและพระมสีนางก็คู่ควรกับพระราชสวามีน้ำนมและสังทั้งสองนี้มีวันณะเสมอกันฉันใดพระองค์และพระนางมสีก็มีพระหฤทัยเสมอกันฉันนั้นทั้งสององค์เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยพระโคดเป็นอุพะโตสุชาติ ทั้งฝ่ายพระชนนีและพระชนกทรงถูกขับไล่จากเว้นแคว้นมาอยู่ในอาสมราวป่าบุญทั้งหลายที่พระองค์กระทำมาแล้วฉันใดขอพระองค์ทรงให้ทานกระทำบุญอยู่ร่ำไปฉันนั้นข้าแต่พระราชฤาษีหม่อมชั้นเป็นเท้าสักกะจอมเทพมาในสํานักของพระองค์ขอพระองค์จงทรงเลือกพร หม่อมชั้นจักถวายพรแปดประการแดร่พระองค์พระโพธิสัตว์ตรัสว่าข้าแต่เท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งสรพพสัตถ้าพระองค์จะประสาทพรแก่หม่อมชั้นไซขอให้พระบิดาพึงยินดีมารับหม่อมชั้นขอพระบิดาพึงทรงต้อนรับหม่อมชั้นผู้ออกจากป่านี้ไปถึงเรือนของตนด้วยราชอาณ พรนี้เป็นที่หนึ่งเป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอันหนึ่งขอให้หม่อมฉันไม่พึงพอใจซึ่งการฆ่าคนแม้ผู้นั้นจะเป็นนักโทษถึงประหารชีวิตกระทำผิดอย่างร้ายกาจขอให้หม่อมฉันพึงปลดปล่อยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิตพรนี้เป็นที่สองเป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนา อันหนึ่งขอให้ประชาชนทั้งปวงทั้งแก่เท่าเด็กและปานกลางพึงเข้ามาอาศัยหม่อมชั้นเลี้ยงชีวิตพรนี้เป็นที่สามเป็นพรที่หม่อมชั้นปรารถนาอันหนึ่งหม่อมชั้นไม่พึงคบหาภรยาผู้อื่นพึงพอใจแต่ในภรยาของตนไม่พึงลุกอำนาจแห่งหญิงทั้งหลายพรนี้เป็นที่สี่ เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอนหนึ่งข้าแต่เท้าสักกะขอให้บุตรของหม่อมฉันผู้พลัดพรากไปนั้นพึงมีอายุยืนนานพึงครองซึ่งแผ่นดินโดยธรรมเถิดพรนี้เป็นที่ห้าเป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอนหนึ่งตั้งแต่วันที่หม่อมฉันกลับคืนถึงพระนครเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้ว ขอให้อาหารอันเป็นทิพย์พึงปรากฏพรนี้เป็นที่หกเป็นพรที่หม่อมชั้นปรารถนาอันหนึ่งเมื่อหม่อมชั้นให้ทานอยู่ขอทายธรรมยาได้หมดสิ้นไปเมื่อกําลังให้ขอให้หม่อมชั้นทําจิตให้ผ่องใสครั้นให้แล้วขอให้หม่อมชั้นไม่พึงเดือดร้อนใจในภายหลังพรนี้เป็นที่เจ็ด เป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาอันหนึ่งเมื่อล่วงพ้นจากอัตภาพนี้ไปขอให้หม่อมฉันขนลอยยังโลกสวรรค์ให้ได้ไปถึงชั้นดุสิตอันเป็นชั้นวิเศษครั้นจุติจากชั้นดุสิตนั้นแล้วพึงมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วไม่พึงเกิดต่อไปพรนี้เป็นที่แปดเป็นพรที่หม่อมฉันปรารถนาพระาศาสดาตรัสว่า ทา้าส ก, กจอมเทพครั้นสดับพระดำรัสของพระมหาสัตมนั้นแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าไม่นานนักพระราชบิดาผู้บังเกิดกล้าวของพระองค์จากเสด็จมาทรงเยี่ยมพระองค์เท้าสุชัมบดีมขวานเทวราชครั้นตรัสพระดำรัสดังนี้แล้วพระราชทานพรแกร่พระเวสสันดรแล้วได้เสด็จกลับไปยังหมู่สวรรค์สกกะ บ, บพะ จบ